โลกเสรีพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของอาตมาได้ไปสอนการฝึกสมาธิในเรือนจำใหม่แห่งหนึ่งใกล้เมืองเพริรที่มีการควบคุมเข้มงวดรัดกุมที่สุดเป็นเวลาหลายอาทิตย์ นักโทษกลุ่มเล็กๆจึงได้รู้จักท่านและเคารพท่านมากในตอนท้ายของการสอนวันหนึ่งเขาเริ่มถามถึงกิจวัตรประจำวันของท่านเมื่ออยู่ในวัดท่านเลาว่าพวกเราต้องตื่นเวลาตีสีทุกเชา้าบางทีมันก็หนาวมากๆเลย ห้องเล็กๆของเราไม่มีเครื่องทําความร้อนเราฉันอาหารวันละมื้อเท่านั้นรวมอาหารทุกอย่างลงในบาตเราจะไม่ฉันอะไรอีกเลยในตอนบ่ายและตอนกลางคืนและแน่นอนว่าเราไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอกจากนี้เรายัางไม่ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุหรือฟังเพลงอีกด้วยเราไม่เคยดูหนังและไม่เคยเล่นกีฬาเราพูดกันน้อยมากทำงานหนักและใช้เวลาว่างทั้งหมดกับการนั่งขัดสมาธิเฝ้าดูลมหายใจเรานอนบนพื้นด้วยบรรดานักโพษถึงกับอึ้งไปเลย เมื่อได้ฟังเรื่องราวชีวิตในวัดอันเคร่งครัดเข้มงวดของพระเมื่อเทียบกันแล้วมันทำให้เรือนจำที่คุมเข้มสุดๆของเขาดูราวกับเป็นโรงแรมระดับห้าดาวเลยทีเดียวขณะที่ว่านักโทษคนหนึ่งเกิดความสงสารในสภาพความเป็นอยู่ของเพื่อนพระของเขาจนถึงกับลืมไปเลยว่าตัวเขาเองนั้นอยู่ในที่ใดเขาเอ่ยขึ้นว่า ทำไมชีวิตในวัดมันถึงแย่อย่างนั้นล่ะครับนี่มน์ท่านย้ายมาอยู่ในนี้กับเรายัางจะดีสักกว่าพระทันเล่าว่าทุกๆคนในห้องนั้นพร้อมใจกันระเบิดเสียงวะร้อออกมาเช่นเดียวกับอาตมาเมื่อได้ฟังท่านเล่าแล้วอาตมาก็เริ่มพิจารณาเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งขึ้น จริงอยู่ที่ชีวิตในวัดของเรามีข้อปฏิบัติที่ละเอียดและเข้มงวดยิ่งกว่าในเรือนจำที่เข้มงวดสุดๆ ส, สำหรับขังนักโทษคดี อ, อุกจาการ์ของสังคมมากนักแต่หลายหลายคนก็สมัครใจที่จะเข้ามาอยู่แล้วยังอยู่ยังมีความสุขเสีย ด, ด้วยขณะที่นักโทษหลายๆคนอยากจะหนีออกจากเรือนจำที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เขาไม่มีความสุขที่จะอยู่ในนั้นนั่นเป็นเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะว่าในวัดของอาตมาพระท่านพอใจที่จะอยู่ที่นั่นส่วนในเรือนจำนักโทษไม่พอใจที่จะอยู่นั่นแหละคือข้อแตกต่างสถานที่ใดที่เราไม่อยากจะอยู่ ไม่ว่าจะสะดวกสบายขนาดไหนก็ตามมันก็คือเรือนจำสาหรับเรานี่คือความหมายแท้ๆของคำว่าเรือนจำสถานที่ใดก็ตามที่เราไม่อยากจะอยู่ถ้าเรามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่เราไม่ชอบมันก็เหมือนกับเราอยู่ในเรือนจำ เรามีความสัมพันธ์ใดๆที่เราไม่พอใจเราก็เหมือนอยู่ในเรือนจําเช่นกันถ้าเรามีร่างกายที่เจ็บใข้ได้ป่วยและทนทุกทรมานซึ่งเราไม่อยากจะให้มันเป็นเช่นนั้นร่างกายนั้นก็เป็นเรือนจําของเราเรือนจําคือสถานที่ใดๆที่เราไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะเป็น ฉะ น, นั้นเราจะหนีจากเรือนจำมากมายทั้งหลายในชีวิตของเราได้อย่างไรก็เพียงแค่เปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของเราเกี่ยวกับสถานที่หรือสถานการณ์นั้นๆให้เป็นความอยากหรือความพอใจที่จะอยู่ณที่นั้นถึงจะอยู่ในเรือนจำหากสามารถเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ ความรู้สึกว่าถูกขังไว้จะหมดไปได้เพียงแค่การเปลี่ยนทัศนคติของเราต่อหน้าที่การงานต่อความสัมพันธ์ต่อร่างกายที่เจ็บป่วยและการยอมรับสถานการณ์แทนที่จะรังเกียจมันเมื่อ น, นั้นเราจะไม่รู้สึกว่าเราอยู่ในเรือนจำอีกต่อไป เมื่อเราพอใจที่จะอยู่ที่นั่นเมื่อนั้นเราจะรู้สึกเป็นอิสระความเป็นอิสระคือความพอใจในที่ที่เราอยู่เรือนจำคือความอยากจะไปสู่ที่อื่นๆ โลกเสรีคือโลกที่จะสัมผัสได้เฉพาะคนสมถะผู้มีความพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นความเป็นอิสระที่แท้จริงคือการเป็นอิสระจากความอยากไม่ใช่อิสระที่จะอยาก